ขอขอนุภาณ์แาะจยนทุกคนที่มาร่วในพิธีให้สรางชีวิตแก่หัวควายในวันนี้ ส, ส, สมเด็จพระสมาสพุทธเจ้าตรงตรัสไว้ว่าความไม่มีโลกเป็นลากอันตระเกิดคณเรามีเงินนอกมายจะมีโลกไปไก้เจ็บเปรียบเดียงอยู่สลอดเวลาก็หาความสุขไม่ได้ สรงข้า ง, ขงคนที่ไม่ร่ำรวยแต่มีสุขภาพดีชีวิตดีก็มีความสุขพวมไม่มีโรคหรือความที่มีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับเหตุปัจคือประการแรกรักษาสุขภาพอนาม่สทงกายที่ดีเช่นควบคุมเรื่องอาหารออกบำลังกายและพักผ่อนและทำงานให้เป็นเวลาเป็นตนต่อมากือรักษาสุขภาพทางจิตที่ดีไม่เครียดจิตเป็นี พอเห็นความมันเลิกไปใค้เจ็บทางกายมากมายการแสดงคือทำสมาธิแผลเมตตาเป็ปจำเพราะจะทำให้สุภาพกิดีการแผลเมตตาจะทำให้ ท, ทำในดีที่ไม่ดีที่บอกความคนจะจั ง, งไปได้อ่คาครณเนี่เกิดมาบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นพเจ้า สัตว์ว่าบางคนเกิดมายืนไม่าสัตว์บางคนเกิดมายสั้นเพรชอบฆ่าสัตว์มนุษย์เราในพัฒนาเมือสัตว์งคนเกิดมาเป็นสัตว์ระเกินเนื้อเือเกิดมาเป็นมนุษย์ก็อายสัสงครามจะเกิดเป็นสัตว์ประเภทกินปืินช้าก็ไม่ยาอดีกมในชาติปัจจุบันก็ตาม อันเป็นเหตุที่ทำให้เรารูุดตัดแต่ในปัจจุบันเราก็สามารถแก้ไขได้อันแรกก็คือการให้ทานชีวิตศัตว์การใทานชีวิตศัตว์ก็ทำให้จิตทของเรามีอยู่ในสัมยืน ย, ยาวได้หรือว่าอันแรกหรือว่าการให้ทานชีวิตสัตว์ทำให้เรหยุดยืนอันต่อไปก็การนุกงสาผู้ประจักษ์ อานุสากบมจันท์นคื อ, อาทาทอนสีพระวรรณทำเล็กน้อยก็ทำให้อายุยืนทำปางกลางก็เกิดใ้ตะกูที่สูงเป็นพระราช า, เ, าเกิดเปมนุษ์นะนเกิดดวนขวนก็เป็นเทวดาที่มีสักศีก็อ พ, พยพปุบริพูเลยก็เป็นนิพานเลยเ น so so ั้นการ่ก็ทำให้อยู่ยืนได้อัีอีมคือการ่เมตตากาเมตตาให้ทำกรรมดีได้ดีเราวางวิชาลงไปได้คือแก่กรรมที่ไม่ดีในอดีตาเ้ายวนงกอย่างแน่นอนา จทำห้เราไม่สบายนี่เจ็บปวยก็ิดขึ้นเมื่อทนดีอยู่้ถ้าทห้าไปก็หายอย่างรวดเร็วถ้าทห้าไปลรวก็เป็นหนักปยาวกาแ่เมตตาทำให้ทำในอดีเจ้าองพระเ้สำกันก็คือเียที่แผเมตตาจะาเยนจะเป็นผู้ที่มีโชคดีไม่ค่อยเจ็ป่วยผู้เจ็ป่วยก็ายเร็วสามอย่าง ที่เราจะทำให้เราอยู่ยืนกอะไรยนยคือแรกก็คือกับพุทธบุญอาจารย์อทำความเพียรเี่จะใหาถูกเนี่ยทำให้อยู่ยืนได้อันที่สองก็คือให้ทานชีวิตปล่อัตที่เขจะไปฆ่าเพื่อในวนี้ก็ทำให้อยู่ยู่ได้อันที่สก็คือ แผลใตาการแผลเนตาก็ทำให้คำต่าตาที่เราทำให้ดีมันเบาๆไปก็ทำให้เรายืดๆได้สามอย่างเพราะนั้นใครก็ตามที่พาดกระด้ายืดๆก็ต้องทำตามที่พระเจ้าสอนคือ อ, อันหนึ่งคืออิจฉาสิอิจฉาสนี่เป็นกงทีทำให้ การมีชีวิตอยู่ที่เราต้องการเนี่ยได้รับตอบตัวคือมีฉันทะมีความยดีพอใจในการที่ทําให้อยู่ยืนสองมีความเพียงที่จะทำให้อยู่ยืน ส, สามมีตั้งใจจริงทําต่อเรื่องไม่ต่อสุรัตสี่พิจารณาใสจต่อประเมินผลปูแก้ไขปฏิบัติให้เข้าถึงเป้าหมายนี่เป็การทําให้เราและเราต้อที่จะให้อยู่ยืนแต่ต้องต้องรับ สาตากฎเกที่พ tamam. <ixon interpret iniz magaz in> ุทธเจ้าสอนอีกทำอะไรท่ยู่คือนึไม่ตาตราจิตเกิดไป 2. ไม่สบายเกินไป 3. กินอาหารที่ไปทอดไฟทอดเกลี่ง่ายคือรู people, people, food, um ้จักควบคุมเรื่องอาหารเองสีทำอะไรให้เป็นเวลากิดเป็นวลาพักอนเป็นเวลาทำาให้เป็นเวลาห้าประพัญา ทั้งาอย่างนี้ทาให้อยู่่ได้ฉันตจริงๆจำใชเป็นคูมือที่จะทให้ได้รับความสเร็จครที่ภูมิจานทร์ผมเชื้คือารสิโา่มบผม้นปัญญารับเราที่มาปฏิบัติธรรมก็คือสติสมาธิปัญญาอันนี้เดียว่า ก็พุ่งพกมาจันเลย hey. ทำให้อยู่ๆได้ hey. ในวันนี้เรามาให้ทานชีวิตสัตว์ทำให้อยู่ๆได้อาตม า, ตายนืนยันเลย่อาตมานี่ <c oughs> แม่บอกว่า พ่อดูบอวยมาอยู่ไม่ยืนอาตมามาบวชเพื่ให้น้องชายปล่อยป่าแทนอาตมาทุกวันอาทิตย์เลยจัจุบันนี60่ปีแล้วอาตมาก็ปล่อยวัวปล่อยไ่ใส่ยุีครับเป็นประจำปีละครั้งทำไมอาตมาอยู่ยืนได้จนปัจจุบันนี้อาตมาก็ป่วยนานปีก่อนนั้นอูปะเศเป็นตายจางวันแต่ก็รอดันได้ทั้งหทัว so นี้ ยุคแปดสิบหเจา 86, ข้าแปดสิบหกก็ยังยืนอยูยน่นี่พวกนั้นอาตมาเห็นอริสงการให้ทานชีวิตทำให้ชีวิตยืนยาวได้จริงจริงทเดียวขอให้ทุกคนที่ให้ทานชีวิตรูปอาตมาตัวมีนยยาปัสกาเกทุกคนกคทุกคนาเลครับทุกคนตั้งใจ ในวันนี้เรามาให้ทานชีวิตวัวควายขอใหกเราตั้งจิอธิษานะวัพร้อมกันเลยวัวตาในวันนี้พวกข้าพเจ้าทงหลายมาให้ทานชีวิตตัวควายเหลือติ้งองเลี้ยงติดสามตัว อันเป็นกุศลที n พวกกัลยาณ์ทีไหนรนั้นป็นพวกานีเ็ยาวุดีใชีวิตนี้เ็นไปศึกษา แล้วคุดว่าต้องขอคุณจะต้องทำามคิดมันเรื่องผลนิทานในการบริการเท่นั้นสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุอตั้งลำโมสามจบพร้อมๆกันนะครับ นะโมตัสสะสัคคะโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสัคคะโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสัคคะโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธะสีสังธาณังสีรวันธาตินังนิยาเทมะ สุตินนังวะตเมทานางอาสวรรค์ยาวหังโหตุนโมอายุวันโนสุขังบาลังทุติยามปิอิทังทานังสีละวันทาทินังนิยาเทมาสุตินนัง วะตเตมีทานังอาสวะกคยาวะหังโอตุนโมอายุวันโนสุขังพาลังตะสียามปิอิทธังทานังสีละวันทาทีนังนิยาเทมะสุตินังวะตเมีทานัง อาสวะพญาวหังโธ่ตุดนะโมอายุวันโนตุขังบาลังข้าพรเจ้าทั้งหลายขอปล่อยโคและกระบือจำนวน213ตัวเพื่อเป็นนบิสถานทีวีศขอใหยโคและกระบือทั้งหลายไปด้วยดี ปาระจากทุก โ, กโรคภัยวิบตกอุปสรรควะอันตรายทั้งปวงและขอร้ายทั้งหลายขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้จงตนบันดานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบแต่ความสุก ความเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภโยต์สลเสริญถูกทุกประการเทินกลับครับาครับกาครับเอ่อจักนสการ์เพระเร็ยบพระคุณพระอาจารย์ี่วาอาภากรโรขอตุนเจ้าแล้วก็สวัสดีญาติโยมทุกท่านนะครับ กระมได้กระดโกแพทย์ไตรัดลู่ไทยนะครับเป็นผู้แทนมูลธิัทที่มารับมอบโควตาที่ท่านทั้งหลายมีกิตตาที่ท่านทั้งหลายมีกิจตตาบิษัาา ท, นาาทนในวันนี้นะครับเปลี่ยนโควตั้ กคาอทั้ง213ตัวในวันนี้ที่ท่านมีศรัทธานะครับตัวผู้จัจะรับไปเพื่อเข้าโครงการสนาคารโกคร์เือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำ ร, ริของพระราชสมเจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ